ก่อนผู้จ่สอนมาทานการให้แต่ให้กันเนและก็ช่วยกันเนี่ยแต่ไม่มีสินหรอกให้ไปช่วยไปอาดไปติดคุกก็ได้ขาดสติขาดสินสามารถไปทําชั่วทั่วได้ต้องมีสติต้องมีสินมีธรรมและก็มีความดีคือภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐ า, านกับการให้ทานมันยิงต่างกันเหมือนกันไม่ได้แต่การจํากรรมฐานเนี่ยเป็นจุดหมายขอ ง, ของคนคถ้าคนเรามีเจริญกรรมฐ า, านปั๊บทานมันจะมาเอง การบริสุท